สักครู่ก่อนที่เราจะสวดบทกรวดน้ําตอนเย็นเราก็ได้สาธยายบทโสมพิเศษสองบททั้งสองบทนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตนะปัจฉิมโอวาสนะ์ก็พูดว่าเนี่ยวัยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องความไม่เที่ยง บทพิจารณาสังขาร น, นะที่เราสวดต่อมานะก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารโดยเฉพาะของร่างกายร่างกายนี้เนี่ยเมื่อปราศจากวิญญาณอันข่าวทิ้งเสียแล้วนะจักนอนทับซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้เราจะสังเกตบ้างดูเปล่านะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยของการ อของภาสิทธ์ส่วนเนี่ยนะไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวนะปะชิมโอวาสเนี่ยพูดถึงความไม่เที่ยงของสังขารเพื่อกระตุ้นให้เราเร่งทําความเพียรท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้พระพุทธองค์เนี่ยตัดเพื่อใหอ้พวกเราเนี่ย เร่งทำความเพียรอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าเวลาของเรามันเหลือน้อยชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเร่งนะต้องเร่งทำความเพียรส่วนบทพิจารณาสังขารเนี่ยนะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะกับสังขารนี้ให้ปล่อยวางออกับผู้ง่าย ถ้าูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยหรือแปลกใจว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันหรือเปล่าบทนึงก็บอกว่าให้เล่งทําความเพียร น, นะอย่าปล่อยเวลาให้ป่านเลยไปโดยปราประโยชน์อีกบท น, นึงก็บอกว่าให้ปล่อยวางนะหลายคนอยากจะเข้าใจว่าผู้เจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันเองอันนี้เพราะว่าเขาเข้าใจคำว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ถูกต้อง ปล่อยวางอันนี้ไม่ได้แปลว่าปล่อยปะละเลยหรือปล่อยไปตามยถากรรมงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรไม่ใช่นะปล่อยวางนี่หมายถึงเรื่องการทำที่ใจนะก็คือทำจิตปล่อยวางนะแต่ว่าการทำกิจนะเป็นเรื่องหนึ่งการทำกิจนี่ต้องขยันหมั่นเพียรพุทธศาสนาเนี่ยนะ จะสอนส อ, อย่างนะอันนี้คือทํำจิตทากิตเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นทำข้อสําคัญก็คือความเพียรความพยายามความไม่ประมาทส่วนถ้าเป็นการทําจิตเนี่ยสาระสําคัญหรือสิ่งที่เป็นหัวใจนั่นคือการปล่อยวางอันนี้เราควรจะสังเกตนะว่าเวลาพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความไม่เที่ยงเนี่ย ในบางครั้งพระองค์ก็ตัดเพื่อให้เราเนี่ยเร่งขนขวายทำความเพียรเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกทีความดีอะไรที่ควรทำก็รีบทำซะอย่าไปรอบอกว่าแกก่อนค่อยทำเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีโอกาสแกนะบางทีนอกจากความไม่เที่ยงของสังขารแล้วเนี่ยนะเราก็ควรจะ นึกถึงความทุกข์ของสังขารด้วยความไม่เที่ยงสังขารนี่ก็หมายความว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ส่วนความทุกข์ของสังขารก็หมายความว่าก่อนจะตายเนี่ยนะมันก็ต้องมีความเสื่อมมีความเจ็บความป่วยเวลาเราไปโรงพยบาบาลเนี่ยนะลองสังเกตดูบ้างนะว่าคนที่เขานอนอยู่บนเตียงเนี่ย เขามีทุกขเวทนาเขามีความเจ็บป่วยมากมายเพียงใดนะบางคนก็มีสายรโยงระยางบางคนก็มีการเจาะคอใส่ท่อบางคนก็ต้องถูกมัดมือมัดเท้านะเพื่อไม่ให้มือเนี่ยมันไปถอดท่อออกแล้วก็ต้องนอนอยู่ในห้อง ICU อันนี้นแหละคือความเสื่อมของสังขารที่เรวทุกขัง ซึ่งมันก็สะท้อนถึงความไม่เที่ยงนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าตอนนี้นอนติดเตียงแล้วก็อดครวนสายตานะบ่งบอกถึงความเศร้าบางทีก็บ่งบอกถึงความเหงาด้วยซ้ำลองนึกไปบ้างนะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยนะเราจะทำใจได้ไหมนะ เราจะทำใจได้หรือเปล่าเราพร้อมหรือยังที่จะต้องมาเจอกับสภาพนี้แล้วโอกาสที่เราจะอยู่ในสภาพนี้เนี่ยนะจะว่าไปก็ 90% นนะคนทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยจะตายแบบตายด้วยความเจ็บป่วยแล้วก็ตายแบบช้าๆนะไอ้ที่ตายปบบระกาทันหันเนี่ยเช่นหัวใจวายตายหรือว่าประสบอุบปปัติเหตุหรือเจอภัยธรรมชาติแค่สิบเปอเท่านั้นเลย อีกเกเ็นี่ยก็คือป่วยตายและสมัยนี้ป่วยเนี่ยมันจะป่วยแบบยืดเยื้อเรื้อรังนะไม่ใช่ป่วยเพราะโรคติดเชือ้อซึ่งทําให้ตายเร็วเช่นวัดนกนะเดี๋ยววัดนกเนี่ยหรือว่าอีโบ ล, ล่าพวกเนี้ยตายเร็วนะไม่กี่วันตายแล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ตายด้วยเหตุนนะั้นเราตายเพราะความเสื่อมของสังขารเพราะโรคออลองพิจารณาแบบนี้ดูแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นตัวเร่งเรานะถ้าเรามองเป็นเนี่ย มันไม่ใช่ทำให้เราหดหูแต่มันเป็นตัวเร่งเราให้ต้องเร่งนะเร่งฝึกเร่งทำนะทั้งความดีและก็การทำสมาธิภาวนาด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วมันกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทนะอันนี้เราว่าเป็นการกระตุ้นให้ทากิจนะ ไม่ใช่เฉพาะการทําความดีหรือว่าการเตรียมตัวเตรียมใจเท่านั้นแต่รวมถึงการทําหน้าที่ต่อคนที่เรารับผิดชอบหรือคนที่เรารักมันก็ต้องเร่งทําไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโดยปล่าประโยชน์แต่บางคนเนี่ยนะพอพอเจอความเจ็บความป่วยเข้ายิ่งรู้ว่ามันเป็นโรคร้ายเนี่ย ยิ่งงอมืองอเท้าเขาไปใหญ่เลยเพราะว่าจิตใจจมอยู่ในความเศร้าความผดหูนะแทนที่จะเร่งรีบนะใช้เวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยทำสิ่งที่มีค่าทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นก็เอาแต่เจ้าจุกนะทอแท้ตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักนะ ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ก็คือไม่รู้จักทากิจนั่นแหละที่ไม่ทากิจก็เพราะว่าไม่รู้จักทาจิตนั่นแหละก็คือไม่รู้จักรักษาใจปล่อยให้ความเศร้าความหดหู่นะความกลัวความตื่นตระหนกเนี่ยมันมาครอบงำใจบางทีมันไม่ใช่เป็นเราที่ป่วยนะอาจจะเป็นคนรักที่ป่วยอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ พอเห็นอาการหรือรับรู้ว่าคนรักของตัวนียป่วยหนักนะแล้วก็รักษาไม่หายแทนที่จะเร่งรีบทำความดีหรือว่าใช้เวลาที่มีเหลือน้อยลงทำความาทำสิ่งดีๆร่วมกันก็กลับจมนะอยู่กับความเศร้าอันนี้เรียกว่ากิตก็ไม่ทำนะเพราะอะไรเพราะไม่ทำจิตมีผู้หญิงคนหนึ่ง เขียนจดหมายมามีให้เขียนจดหมายเขียนข้อความมาบอกว่าสามีป่วยหนักเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมารักษาตัวที่บ้านเพราะว่าหมอนี่ก็บอกว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากเธอก็หดหูเศร้าหมองคิดถึงว่าเมื่อสามีตายจะทำอย่างไรใครจะเลี้ยงดูลูกใครจะผ่อนส่งบ้านนะแล้วตัวเธอเองเนี่ยจะอยู่อย่างไร เศร้าจกนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผ่ายผอมก็เลยเขียนตอบเพื่อว่าเนี้ยก็เห็นใจนะทีะ่เธอต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้แต่อยากจะเตือนอย่างนึ่งนะว่าสามียังไม่ตายนะสามีเนี่ยยังอยู่กับเราช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นเวลาที่มีความหมายมากควรใช้เวลานี้เนี่ยทำความดีมีความสุขร่วมกัน นะใช้เวลาที่เหลือน้อยให้ลงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะไม่ใช่เอาแต่ปล่อยให้เวลาโอกาสทองมาหลุดลอยไปเพราะว่าเอาแต่เศร้าเจ้าจุกเศร้าพักเธอก็ตอบมาว่าเธอได้สติแล้วนะขอบคุณนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดูแลตัวเองแล้วเริ่มกินเริ่มนอนพยายามนะใช้เวลานี้เนี่ยนะมอบสิ่งดีๆให้กับสามีแล้วก็พยายามใช้เวลาเนี่ย ที่มันเหลือน้อยลงเนี่ยทำความดีแล้วก็ทําสิ่งดีๆร่วมกันอันนี้เรียกว่ายิ่งความตายใกล้มาถึงนะยิ่งต้องเร่งทำนะยิ่งเร่งทําความเพียรต้องอต้องรีบใวยโอกาสนะทำสิ่งดีๆก่อนที่มันจะหมดไปอันนี้เรียกว่ารีบทํากิจนะ แต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องทำจิตด้วยก็คือรักษาใจให้ดีคราวนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปตอนตอน้ตนๆ น, นะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านสอนว่าเรื่องการทำกิจเนี่ยต้องทำความเพียรแต่ขณะเดียขการจิตใจก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะทำกิจด้วยจิตที่ปล่อยวางหลายคนก็สงสัยว่ามันทาได้อย่างไร แล้วมันควรทําหรือไม่ที่จริงจําเป็นมากเลยนะเวลาเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ใส่ความเพียรเข้าไปนะแต่ว่าใจเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยปล่อยวางในผลนะไม่ต้องไปคิดถึงผลว่ามันจะออกมาอย่างไรหรือไม่ต้องคิดกังวลว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะีถ้าเราลองทําด้วย ลองทำจิจด้วยจิตที่ปล่อยวางเนี่ยนะมันจะปลอดโปร่งได้มากเลยนะสมัยที่ถ้าจากพุทธทาสเนี่ยท่านยังมีเรื่อวมีแรงนะท่านก็อ่าเป็นเป็นกำลังสาคัญเลยนะในการก่อสร้างอาคารต่างๆในส่วนโมกเช่นโรงมหาลสบททางวิญญาณ น, นะรวมทั้งอาคารอื่นๆ มีคราวหนึ่งท่านกา็เป็นกำลังในการก่อสร้างอ า, อาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวานะหรือเรียกย่อๆว่าเรือก็เช่นเดียวกับอาคารอื่ๆอนๆนะ่ใช้เวลาหลายเดือนนะใช้เวลาหลายเดือนลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็มาหาท่านเป็นโยมแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์เรือเนี่ยนะเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จสักทีท่านตอบว่าเสร็จแล้ว เขาก็ดีใจแล้วก็แปลกใจนะเพราะว่าเมื่อสองสเดือนก่อนก็ยังเห็นเรือเนี่ยยังสร้างไปไม่ถึงไหนพอกราบท่านอาจารย์เสร็จก็ตรงไปดูเรือเลยนะมา ใ, ใกล้มหาลสบททางวิญญาณเพราะว่าเรือก็ยังไปไม่ถึงไหนไม่ได้คืบหน้าไปจากสองสเดือนก่อนเท่าไหร่ก็เลยมาถามท่านอาจารย์พุทธว่าเอา้าท่านอาจารย์เนบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันยัง ไปได้ไม่ถึงไหนเลยท่านบอกว่าเสร็จนะเสร็จวันนี้เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมื่อวันนี้ก็เสร็จเสร็จทุกวันนะหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าทัา้งทั้งที่ท่านเอาใจใส่ในการาก่อสร้างในการทำงานเนี่ยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดติดถือมัน่นไม่ได้วิตกกังวลว่าเมื่อไรมันจะเสร็จเมื่อไรมันจะเสร็จนะเวลาทางานท่านก็ทาเต็มที่ นะพอเลิกงานท่านไม่เพียงแต่วางอุปกรณ์นะวางเครื่องมือลงนะแต่ท่านยังวางเรือนะออกจากใจด้วยเนะพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยรู้สึกโปร่งโร่งนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ทำเสร็จแล้ว เ, เวลาทำงานเสร็จเราจะรู้สึกโปร่งโรงถ้าอาจารย์เนี่ยก็คิดรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องรอให้มันเสร็จนะ 100% ซ ไ ด, ไ, ได้เท่าไหรได้เท่าไรก็เท่านั้นนะนะท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนที่ทําเสร็จแล้วเนะี่ยที่จริงระหว่างที่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางเอาตอนพักนะหรือว่าตอนเลิกงานในแต่ละวันนะในขณะที่ทําท่านก็ปล่อยวางไปด้วยนะใครที่รู้จักท่านาจารย์ุทธาดีก็รู้ว่าเนี่ยท่านตั้งใจทําอะไรเนี่ยก็ทําจริงแต่ว่า ในแคลที่ท่านทากิจนะท่านก็ทำจิตไปด้วยคือปล่อยวางนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทำกิจ ด, ด้วยจิตปล่อยวางนี่นะมันเป็นประโยชน์นะมันจะช่วยทำให้งานเนี่ยไปได้ดีและคนทำงานก็มีความสุขนะมีอาจารย์ของอาจารย์นะของเพื่อน อาตมาคนหนึ่งเนี่ยนะท่านเป็นพระเซนเน่แต่ว่าเป็นชาวอเมริกันท่านบอกว่าอาจารย์ อ, อาจารย์ท่านเนี่ยนะคือชุนยุลสุสุกิเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะในประเทศอเมริกาเพราะว่าเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาเมื่อสัก6กสกว่าปีที่แล้วสมัยยุคพันเก้้อยหนะ ตอนนั้นเนี่ยท่านชุนริวก็อายุหกสกว่าแล้วแล้วท่านต้องต้องมาสร้างวัดเองแต่ว่าโชคดีนะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นชาวอเมริกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องเซนนะรุ่นเดียวกับบิทเทลนะซึ่งไปสแสวงห า, เ, าเรื่องจิตวิญญาณที่ประเทศอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นอเมริกาเหล่านี้ก็มาช่วยท่านสร้าง ช่วยกันแบกหินช่วยกันแบกเสาแต่ปรากว่าทำไม่ได้ครึ่งวันก็เหนื่อยขณะที่อาจารย์ชุนเรียวอายุมาก6กกว่าแล้วก็ตัวก็เล็กนะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนตัวเล็กบอกว่าทำได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจนะถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงเนะี่ยอาจารย์ชุนเรียวก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานี่ลูกศิษย์ก็งงนะหมายความว่ายังไง กายท่านทำแต่ว่าจ so <ac> ิตท sal ่านพักนะเรียกว่าท่านทำกิตแล้วก็ทำจิตไปด้วยท่านทำเกี่ยก็คือแบกเสาแบกหินส่วนจิตเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะแต่ว่าปล่อยวางกายแบกไปนะแต่ว่าใจปล่อยวางใจก็รับรู้อยู่ว่ากายทำอะไรนะแต่ว่าไม่ไปยึดไม่ไปถือเอาความเหนื่อยความเมื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อยความเมื่อยของกู นะกายเหนื่อยไปใจไม่ทุกขนะ์นี่เรียกว่าทํากิจ ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยนะกิจเนี่ยทำเต็มที่นะแต่ว่าใจเนี่ยปล่อยวางแล้วบอกว่าทําได้ดีนะทำได้ดีกว่าลูกศิษย์ซึ่งทํากิจแต่ไม่ทําจิตนะทำไปก็บนไปหรือทําไปก็วิตกไปเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเนะี่ยอันนี้เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักทํากิจและทําจิตนะงานได้ผลดีนะและคนทําก็มีความสุขด้วยนะ เราลองนะพยายามประสานทำกิจและทำกิจเข้าด้วยกันสมัยที่สักเจ็ดสิบแปดปีก่อนนะที่วัดบวรเนี่ยมีสังฆราชเจ้าองค์หนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงชินวรนสริวัตรมีวันหนึ่งเนี่ยโยมเนี่ยถวายชุดน้ําชาเป็นของโบราณจากเมืองจีนนะสงสัยราชวงศ์หมิงมั้งมาถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า แล้วก็กำชับนะว่าเนี่ยช่วยดูแลให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นของเก่ามากนะแล้วกอ็อาจจะบอบแบบบางสักหน่อยท่านได้รับนะท่านก็ดูแลอย่างดีนะแล้วก็บอกเนนนะเนนที่อุปถา์ท่านเนี่ยเวลาจะเวลาจะเคลื่อนจะย้ายนะเวลาจะทำความสะอาดท่านก็จะกําชับนะกชับแบบจี้เลยนะว่า ให้ถือดีๆนะระวังแตกนะเวลาทำความสะอาดก็จะย้ำเลยนะว่าให้เช็ดเบาๆนะอย่าเช็ดแรงๆเดี๋ยวมันจะแตกทุกครั้งเนี่ยนะท่านก็จะกำชับนะไม่ว่าเนนเอาชุดน้ำชาชุดนี้มามาถวายหรือว่าเอาไปล้างท่านก็จะกำชับอยู่ตลอดเวลานะจนเนรนี่นะรู้เลยนะว่าเนี่ยจะต้องใส่ใจมากนะกับชุดน้ำชานี้ แล้ววันหนึ่งนะที่สมเด็จพระสังฆราชาองค์นี้เนี่ยกำลังทรงงานอยู่ประกระวบ ด, ดิวยเสียงเพลงนะพระองค์ก็เลยเอกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าชุดน้ําชาเนี่ยเนรทาตกแตกหัวเนร น, นี่ตัวสัตว์เลยนะเพราะว่ารู้ดีว่าสมเด็จพระสังฆราชาออนี่ท่านกําชับกําชา ม, มากท่านเอาใจใส่มากปอกว่าพอท่านพอสมเด็จพระสังฆราชาเห็นชุดน้ําชามแตกนะกระจายนะ ท่านก็เฉยๆนะยิ้มเลยซ้ำนะเออหมดภาราแล้วนะคือท่านเอาใจใส่จริงจังแต่ติดท่านปล่อยวางนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าคนที่เอาใจใส่แบบ น, นี้นะจะต้องยึดมั่นถือมั่นมากมันเนรเนี่ยเตรียมเลยนะเตรียมเนะี่ยโดนพี่โลดหนะ้าหรืออาจจะโดนอาจจะโดนอทําโทษอย่างแรงนะเพราะว่าโวยพระสังฆราชนี่ท่านเอาใจใส่กำํำชับกําชามากแต่ที่ไหนได้นะ ท่านไม่ได้โกรัอะไรเลยนะนี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านเอาใจใส่นะด้วยใจที่ปล่อยวาง อ, อันนี้มันเป็นมันเป็นคุณสมบัตินะของคนที่เข้าถึงธรรมเนี่ยนะเขาจะทำกิจแล้วก็ทําจิตไปด้วยพวกเราก็ทําได้นะโดยพราะเวลาเจออะไรมากระทบนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่เราก็ทําจิตซะ ไม่บนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายนะยอมรับตระหนักว่าเออสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์วันดีคืนนีก็ป่วยแต่ก็ต้องทำกิจ ด, ด้วยนะคือรักษานะไปหาหมอก็ได้หรือว่าจะดูแลสุขภาพนะเยียวยาตัวเองไม่ใช่ว่าพอปล่อยวางแล้วก็เลยไม่รักษานะอันนี้ไม่ถูกนะบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคนกลุ่มนึงนะทกิจไม่ทาจิต นะอันนี้เราเจอเยอะนะพวกที่ทําขยันขันแข็งแต่ว่าเครียดนะบางทีเราก็เจอในสํานัก ง, งานของเรานะขยันมากนะแต่ว่าเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกว่าเพศหนึ่งนะทำจิตไม่ทํากิจนะก็คือปล่อยวางปล่อยวางอย่างอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่ทําอะไรป่วยก็ปล่อยวางนะร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่ว่าไม่รักษานะเวลาบ้านเนี่ยหลังคารั่วปล่อยว่างนะไม่ซ่อมมันเคยมีมาแล้วนะสมัยที่หลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่แล้วก็น้องประพง์นี่ก็ยังยังไม่มีโยมม า, ามาอุปถัมภ์มากนะกุฏินะก็จะสร้างแบบง่ายๆนะมุงด้วยยากาคามีวันหนึ่งเนี่ยพายุนะกระหน่ำนะ กุตินะหลหลังก็โดนพายุพัดนะหลังคาก็หายไปกุติหลังหนึ่งหลังคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะบอกว่าพระจะอยู่ในกุตินะั่นนะ่ยก็ไม่ซ่อมสักทีหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ซ่อมหลังคาพระก็ตอบผมกําลังฝึกปล่อยวางครับนะหลวงพ่อช้าก็เลยหนิเลยว่าไอ้ปล่อยวางไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่วางเฉยแบบบัวแบบควาย อันนี้คือเข้าใจผิดนะว่าปล่อยวางหมายถึงการไม่ทํากิจปล่อยวางคือการทําจิตนะส่วนการทํากิจก็ต้องทําตามเหตุตามปัจจัยอันถ้าเรารู้จักนะทำกิจและทําจิตเนี่ยในด้านหนึ่งเราจะทําเต็มที่นะแต่ในอีกด้านเนื้อจิตเราจะปล่อยวางผ่อนคลายนะพูดง่ายคือว่าทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็ เวลาท่านพาทำพาปฏิบัติเนี่ยนะประโยชน์ในที่ท่านใช้พูดบ่ยบอยๆนะนะชาวบาตมาก็ได้รับคําคแนะนําอย่างนี้จากท่านก็คือทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทำเล่ น, ลนทําจริงหมายความว่าทําด้วยใจที่ผ่อนคลายทาด้วยใจที่ไม่คิดจะเอานะไม่คิดจะไม่ได้ทําด้วยความอยากให้จิตสงบแต่ทําจริงๆก็คือทำทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอน อันนี้เรียกว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะ่ะได้เหมือนกันฉะนั้นะเพียรทำกิจ ด, ด้วยจิตปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกันนะมันควรไปด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจนะไปเข้าใจผิดนะก็คือว่าถ้าปล่อยวางแล้วโดยเฉพาะชาวพุทธจำนวนมากเนี่ยพอปล่อยวางแล้วคือไม่ทำกิจแล้ว เวลาในวัดในอารามเนี่ยนะบางทีบางคนบางรูปบางท่านเนี่ยนะท่านอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะหรือว่าไม่รับผิดชอบต่องงานการนะก็เป็นหน้าที่ของไกลาไกลานมิตรศสธรรมิกเนี่ยจะไปช่วยตักเตือนแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ทำหรอกนะเพราะว่าหน้าที่เราคือรักษาจิตนะ อย่าให้จิตใจมันเศร้าหมองจริงๆเนี่ยการตักเตือนคนเนี่ยไม่ยังไปต้องทำด้วยจิตที่เศร้าหมองหรือว่าจิตที่โกรธก็ได้เราทำด้วยจิตที่เมตตก็ได้นะเมื่อรักษาจิตแล้วเนี่ยนะก็ไม่แปลว่าไม่ทำกิจนะก็ควรทำกิจนะเช่นถ้าเขาทำไม่ถูกก็แนะนำตักเตือนอันี่เราทำกิจล้วก็ทำจิตไปด้วยคือว่า ไม่ทําด้วยความโกรธไม่ทําด้วยความขุนมัวนะบางคนทํากิจแต่ว่าไม่ทําจิตนะก็คือแนะนําตักเตือนหรือด่าด้วยอารมณ์ที่โกรธนะอันนี้ไม่ถูกนะมันจะมี2ประเภทในที่สวิงหรือว่าไปคนลคขั้วประเภทหนึ่งก็ตําหนิด้วยอารมณ์นะอันนี้เราทํากิจไม่ทําจิตอีกประเภทหนึ่งนะ ปล่อยปากล้เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่แตะไม่ต้องนะเพราะมัวแต่รักษาจิตนะกลัวว่าจิตจะขุนมัวนะถ้าไปไปตักไปเตือนนะอันนี้เราว่ามุ่งรักษาจิตหรือทำจิตแต่ว่าไม่ทำกิจนะอันนี้ไม่ถูกนะแนะนำตักเตือนได้ด้วยใจที่เมตตานะทำอย่างมีสติพูดได้วาจาที่ไพเราะเกลีอปิยะวาจานะ อันนี้ก็เป็นคําสอนพุทธเจ้าเองนะเวลาจะแนะนำใครเนี่ยก็ให้นะให้ตระหนักว่า1เป็นความจริง2มีประโยชน์3ถูกเวลา4ทําด้วยเมตตา5ใช้ปิยวาจาเนี่ยเวลาเราทํำไรเนี่ยนะต้องทํา2อย่างคู่กันนะอย่าอย่าทําด้วยความเครียดนะเช่นวันนี้ไปปลูกป่าเนี่ยบางคนก็ถ้าปลูกป่าเนี่ยปลูกต้นไม้แต่ว่าทําด้วยความเครียดไม่รักษาใจเพราะแดดมันร้อนอันนี้เราทำกิจไม่ทําจิต แต่บางคนก็ทำจิตอย่างเดียวนะวัดจะทำอะไรมีงานอะไรก็ไม่ไม่สนใจเคยมีนะสมัยหนึ่งเนี่ยมีโยมแ่้สิบกว่าปีที่แล้วมันมีชาวบ้านเนี่มาลักตัดสมุนไพรก็มีคนมาบอกนะต่ตมาก็เลยบอกขอแรงพระไปช่วยตามหาหน่อยนะว่าเขาไปตัดสมุนไพรตรงไหนนะ ไม่ต้องไปทาอะไรแค่เข้าเห็นพระเนี่ยมาเขาก็หนีแล้วล่ะหน้าที่ของเราเก็ควรจะรักษาป่ารักษาสมุนไพรมีภาะวางรูปตนะ้อบอกว่าผมไม่ไปหรอกนะผมปล่อยวางแล้วนะ่มีนะการปล่อยวางเนี่ยนะก็คือไม่ได้ยึดว่าป่าเป็นของเราอันนี้ถูกนะป่าไม่ใช่ของเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะ ไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อป่าเราไม่ได้ไปไล่เขาด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าป่าเป็นของเรานะแต่เราทําเพราะเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อป่านะเราต้องการช่วยรักษาป่านะอันนี้ทํำด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องขัดแย้งกันนะว่า การไปรักษาป่าการไปช่วยป้องกันไม่ให้คนมาตัดสมุนไพรเนี่ยมันขัดแย้งกับการปล่อยวางนะเราปล่อยวางนะเราไม่ยึดว่าป่าเป็นของเราแต่ว่าความเมตตากรุณามันก็สามารถจะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นเหตุผลให้เราเนี่ยไปช่วยรักษาป่าได้หรือว่าความะตัญญูรู้คุณนะพูดง่ายคือว่าทำจิต ด, ด้วยแล้วก็ทากิจ ด, ด้วยก็เมือนกับเวลาป่วยเนี่ย เราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเรานะก็สมควรแล้วที่เราจะปล่อยวางในร่างกายนี้นะอันนี้เป็นการทําจิตแต่ว่าถ้ามันยังรักษาได้นะก็ควรจะรักษานะจะด้วยการกินยาจะด้วยการดูแลสุขภาพจะด้วยการควบคุมอาหารจะด้วยการออกกำลังกายหรือพักผ่อนให้พ อ, พอเพียงก็แล้วแต่มันทําได้ทั้งสองอย่างนะทำกิจและทําจิตควบคู่กันนะหรือว่า ทําความเพียร น, นะด้วยจิตที่ปล่อยวางนะพยายามที่จะเชื่อมโยงสองอย่างนี้ให้เข้าด้วยกันให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญทั้งคู่นะนะสำหรับชาวพุทธเนี่ยด้วยเหตุ น, นี้แหละพระเจ้าเนี่ยจึงสอนว่านเนี่ยนะขณะที่ร่างกายไม่เที่ยงสังขารไมนะ่ไม่จีรังย่งหยิ ง, ยงก็ต้องเร่งทําความเพียรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปล่อยวางด้วยนะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเสริมกันด้ซ้ำอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะครับ